พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นด้วยการปฏิบัติมาแทบล่มแทบตายเดี๋ยวกับจุดสำคัญของมหาสมุทิมหานิยมและมหาทุกกลายเป็นมหาสุขบรมสุขขึ้นมาได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้น ในสามโลกธาตุนี้มีจำนวนของสัตว์โลกมากเท่าไรทำไมจึงสงสาบได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกตัวคนและสัตว์เพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับใจเพราะฉะนั้น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 สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาเป็นเวลานา น, านแสนานานในบรรดาบุคคลและสัตว์รายหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งกิริยาที่แสดงออกแห่งอาการของกิตตวิชานั้นมีหลายประเภทนับไม่ถ้วนท่านกล่าวไว้เพียงย่อๆว่ากิเลสพันห้าตังหาร้อยแปด นีออกซึ่งเป็นแขนงเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ทำงานและก่อโกยผลของงานอันเป็นความทุกข์ความลำบากมาสู่ดวงใจของสัตว์โลกมีมากมายออกจากพิษะวิชาเพียงอันเดียวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมในสัตว์และบุคคล ท, ทั่วไป แต่ไม่มีใครที่จะสามารถจะรับรู้ของสิ <ir> <whirring> ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยได้แม้แต่รายเดียวนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประทานไว้แล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นของยากขอมลองบากอะไรพอที่จะให้สุดอิสัยทื่อเหลือกำลังความสามารถของพวกเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดข้ามวัตจักรออกจากวัตจิตให้กลายเป็นมิมุติพ้นขึ้นมาที่จิตดวงนี้ผู้ที่ยากลำบาก จะพูดเดียวว่าตัดพระเสียรหรือตัดพระไทยเพื่อรับรองสัตว์โลกทั้งมวลก็ไม่ผิดเพราะประพติพระพุทธเจ้าทรงเป็นาศาสดาเอกของโลกทรงปรารถนาความเป็นาศาสตาเพื่อหรือสัตว์ขนโลกหรือขนสัตว์โลกมาเป็นเวลานานและทรงทุ่มเทพระสติกําลังความสามารถทุกด้านทุกทาง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 สร้างขึ้นของพระพุทธเจ้าได้แก่ทางศาสนาธรรมตั้งแต่พื้นพื้นจนกระทั่งถึงิมุดสุดพ้นเป็นทางที่ทรงประทานไว้โดยถูกต้องแน่นยับไม่มีที่คำว่าผิดเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นทาง ที่เหมาะสมอย่างยิ่งของสารโลกที่จะพยายามไต่เต้าไปตามสติกำลังความสามารถของตนจนถึงขั้นบูดพ้นจอดไถด้วยมัชฌิมาปฏิปทาน้เพราะพระองค์สร้างไว้แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องแม้แต่น้อยเลยการสร้างพระบารมีแต่ละชาติภพของพระองค์นั้น เอาชีวิตจิตใจเขาแล้จนถึงวาระสุดท้ายทุกๆพกพทุกทุกชาติไปและจะเห็นได้ชัดถึงเรื่องความภาคเพียรความอดทนความเป็นนักต่อสู้เพื่อสัตว์โลกจริงๆก็คือศาสดราของพวกเราทุกยากลำบากขนาดไหน ในภพใดชาติใดที่ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงพระชาติสุดท้ายคือพระสิทธัฐธาราจากุมารเสด็จออกทรงผนวดทรงบำเพ็ญคมด้วยความลำบากลำบุญด้วยมายจนถึงนิตรัสสรู้สมพระทัยหมายในความเป็นจะเป็นศาสศดาของโลกโดยแท้จริงแล้วเจึิญเลบประธานเขาว่า ที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยนั้นแก่บรรดาสัตว์โลกเรื่อยมานี่คือความลำบากลำบนในการบำเพ็ญเหตุของพรตถาคตเราพูดได้รับแล้วซึ่งพระโอวาทอันถูกต้องแม่นยำของพระองค์น้อมเข้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติ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 อำนาจของกิเลสกัรหาอาชวะประเภทต่างๆที่ออกอุบายหลอกลวงเราให้ท้อถอยอ่อนแอไปด้วยอาการต่างๆเช่นเป็นการบำเพ็ญลำบากบ้างวาดสนาน้อยบ้างกำลังความสามารถไม่เพียงพอบ้างทำไปก็ลำบากลำบน สีง น, น้บ้างสติปัญญาไม่มีบ้างการจะก้าวเข้าสู่แนวทารรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกโดยอาการใดก็ถูกกิเลสปิดล้อมลึกขั้นไว้เสียทุกทุกอาการจนหาทางออกไม่ได้และมอบความท้อใจให้แก่พวกเราจากกิเลส แล้วเราจะมีทางก้าวจากจากกองทุกนี้ไปได้ที่ตรงไหนไนเคยแสดงเสมอว่าวิธีการต่อสู้กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นเ็นใจทุกแม่ทุกแขนงแห่งการต่อสู้ดังพระพุทธเจ้าทรงต่อสู้มาเป็นเวลานานแล้วจึงได้ผลสำเร็จ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 เป็นไปด้วยความราบรื่นดีานามสติปัญญาก็คล่องแคลว่กลวกล้าขึ้นมาเองสมาธิก็เกิดขึ้นมาเองลผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาเองอย่างนั้นหาไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาด้วยความฝ่าฝืนความต่อสู้กับกิเลสทุกๆุประเภทเนื่องจากมันสมอยู่ที่หัวใจของเราเป็นเวลานานจน นับเงินตน้นเงินปลายไม่ได้ว่าตัวไหนเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เพียงแต่คำว่ากิตะวิชานี้ก็พร้อมแล้วที่จะผลิตยูคผลิหลานของเิเรตขึ้นมาให้เป็นที่พอกับความต้องการของเกเรแล้วเราจะผิดตราอาวุธได้จะทมของอพระพุทธเจ้าขึ้นมาภายในจิตใจแต่ละแง่ละแขนงนั้นต้องถูกตัดถูกทอนถูกหยถูกขวาง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 ขอบคิดอยู่เสมอจึงจะมีทางแหวกว่ายไปได้เป็นระยะรยะแล้วความเพียรเป็นสําคัญที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ก้าวหน้ามาให้ถอยหลังได้ชาติปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกทางเดินอันเต็มไปด้วยฝากน้ําคือกิเลสประเภทต่างๆปิดบังไว้อย่างมิดคิดปิดตาเดี๋ยวเบิกออกไป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 ตกค้างอยู่ภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นทางเดินของผู้จะต่อสู้กับกิเลสจะพึ่งใช้สติปัญญาเป็นสำคัญดูภายในใจนี่แหละเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ยาเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนวัตตะวลของจิตจึงอยู่ที่นี่เนื่องจากกิเลสพาให้วกให้วนขนทุกข์ใส่ตน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 ไม่ใช่สิ่งอื่นใดยาพากันคิดกันค่าให้เสียเวลาอันเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสไปโดยถ่ยเดียวอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจงสำนึกใจของตนซึ่งเป็นสถานที่ผิดกิเลสทุกประเภทขึ้นมาเพื่อเป็นของทุกข์กับเหล่านี้ให้เป็นสถานที่รบกับกิเลสประเภทต่างๆด้วย ศรัทธาความเชื่อมั่นต่อการปราบกิเลสว่าจะต้องชนะวิริยะความภาพเพียรต่อสู้ยาได้ลดละท้อถอยชาติเป็นเครื่องกำกับทุกอาการของจิตที่แสดงออกในแง่ใดก็ต่างสมาธิพยายามบังคับกิเลสต่อสู้กิเลส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 ศรัทธาสติและปัญญาของหลอกจนได้ายายอมให้จิตฟุ้งเฟอ้เอเหอื่อเหิมไปในอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของจิตปรุ ง, ร ง, แ, ตรงแต่งขึ้นมาหลอกตนเองด้วยอํานาจของกิเลส น, นั่นแหละคือจิตตอาอวิชชามันเป็นเครื่องหลอกเครื่องวาดภาพขึ้นมาภาพเรื่องนั้นภาพเรื่องนี้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 ไม่มีผู้ใดจะรับทราบได้มีผู้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวาคาธรรมจะเพราะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเหล่านี้แหละจะเป็นผู้รู้ได้เห็นได้และทําลายกงจักรแห่งวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ได้เป็นลําดับกลำลังด้วยอํานาจแห่งศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอันเป็นหลักใหญ่ เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธทรรมได้เข้าทำลายกงจักรคือคือโรงงานของจิตตะวิกชาของวัตตะจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั้นโดยำลำดับแล้วสมาธิที่ได้ยินแต่ชื่อในตำลับตำหลาก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนในจิตของเราว่าจิตเวลานี้ได้รับความสงบแล้วด้วยอุบายวิธีนี้วิธีนี้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 ด้วยสมาธิธรรมเพราะอำนาจแห่งความเพียรนีหลักใหญ่อยู่ที่จรงนี้ขอให้ทุกท่านพิสูจน์เรื่องกองทุกของตนนี้อยู่ที่จิตใจนี้เท่านั้นร่างกายเป็นวิบากขันผลถอยได้มาจากวิริยประเภทหนึ่งแล้วจะให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปอีกก็ไม่ได้เป็น เทียงวิบากของขันทุกกระทุกเท่าขันคือรูปประขันเวทนาขันที่มีอยู่ในนี้เท่านั้นจะให้มากยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มากแต่ส่วนทุกที่จะเกิดขึ้นมาเพราะอํานาจของกิเลสผิดขึ้นและเผาพรานจิตใจให้ทิบหายผลปี้วอดวายทั้งทั้งที่จิตก็ตายไม่เป็นนั้น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 ไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาเสริมขันเป็นทุก์อย่างนั้นอย่างนี้มากขึ้นไปด้วยความสัมพั์ของใจเองความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายมีได้ทั้งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเราะเป็นดิบากเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาแล้วและเป็นเรือนของทุกข์ที่จะต้องอยู่อาศัยจงกระทั่งเรือนร่างนี้แตกสลายไปเมื่อไหรทุกข์จึงจะสลายไปตามขันนี้ ไม่มีเงื่อนสืบต่อหมดไปแต่ทุกภายในจิตใจนั้นยังมีเงื่อนสืบต่อเพราะกิเลสพาให้สืบกิเลสเป็นต้นเหตุพาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีทางจินสุดถ้าไม่แก้กิเลสอันเป็นตัวเหตุสําคัญที่ทุกข์นั้นเสียจะไม่มีทางุพ้นเป็นอิสระเฉลี่ภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นหลักสําคัญที่เรานักปฏิบัติทั้งหลายจะพึง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 เหมือนการรื้อถอนกิเลสอันเป็นสิ่งที่ต่าช้าเร็วตามและเป็นสิ่งที่โศกกระปกรกรกลุ่งหลังเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความล่มจมไปมากที่สุดนี้นี่เป็นสําคัญขอให้หรื้อถอนตนเหตุนี้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราอยาได้ลดละความเพียรให้เสียดายที่จงนี้ อย่าให้ความเพี้ยนดุดไปเสียไปแม้แต่ขนะหรือเวลาหนึ่งให้มีความเสียดายต่อความภากเพี้ยนเสียดายต่อการต่อสู้ที่เดชทันหาอาสะวะเพื่อชัยชนะขึ้นมาสรุปแล้วให้เสียดายชัยชนะให้เสียดายความดูดท้นจากทุกให้เสียดายความเพียนที่เป็นเครื่องแก้ด้วยเครื่องถาก ท, าท้าสิเด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 ซึ่งเต็มไปได้วยทุกในทุกภพกทุกชาติไม่ขณะที่ปิ่งไปปิ่งมาอยู่นั้นไม่ ป, าปราศจากทุกได้แม้ขณะเดียวหเห็นภายในสิ่งเหล่านี้ประจักษใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพบมาแล้วทั้งทุกทุกประเภทภายในพระกายก็ทรงทราบแล้วทุกภายในพระจิตพระองค์ก็ทรงทราบสาเหตุที่ให้เกิด ทุกทั้งสองประเภทนี้ขึ้นมาภายในกาญจิตพระองค์ก็สงทราบและทรงถอดถอนออกโดยชินเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือแต่ความรู้สุดวิมุตด้วนล้วนแล้วนั่นแหละคือจิตดวงประเสรศิฐธรรมดวงประเสรศิฐธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าสองนั่นแหละที่นี่จะเห็นได้ชัดเจนประจับใจ พระองค์ได้เห็นประจักษ์พระไทยแล้วเราผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ถอดถอนสิ่งลามกโรคกรุงดังก่อความทุกข์ให้แต่เราโดยถ่ายเดียวนี้ออกได้แล้วก็จะต้องเห็นประจักษ์เช่นเดียวกันว่าไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะมายุแย่ก่อควาจจิตใจให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้โลภให้หลงโดยประการต่างๆซึ่ง เป็นเรื่องของกิเลสอาศวะทั้งหมดเพราะกิเลสได้สิ้นซากไปหมดแล้วจากจิตใจถึงกลายเป็นใจอิสระเสรีตั้งแต่ขณะนั้นไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของเราหนักเบามากน้อยสละเป็นสละตายมาว่ามีคุณค่าอย่างดิ่นถ้าไม่มีความเพียรขนาดนั้นเป็นเครื่องหนุนแล้ว ผลคือความอิสระเฉลี่ีและความพระเสิดภาณจิตใจซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นนี้จะไม่ได้พบได้เห็นกันเลยแต่นี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของตอนเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงปรากฏและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายปรากฏเป็นธรรมประเภทเดียวมีความสม่ำเสมอกันไม่มีของท่านผู้ใดยิ่ง ย, ยอนกว่ากันเพราะฉะนั้นการเห็นความ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 หรือจะสิ้นศูนย์ไปไหนก็ทราบได้ชัดว่าไม่มีความเคลื่อนไหวแบบสมมุติทั้งหลายเปลี่ยนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแบบสมมติทั้งหลายเปลี่ยนแปลงกันจึงไม่มีความสาบศูนย์ดังโลกสมมติทั้งหลายสาบศูนย์กันเป็นแบบของธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นแบบอื่นไม่มีแท้ เพราะนี้ไม่ใช่ส ม, มุิเจ้าส ม, มุิเข้ามาแทรกได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับเรายอมรับใจที่บริสุทธิ์ของเรานี้หาที่ขัดที่แย้งไม่ได้เพราะเราหาที่ขัดแย้งใจของเราไม่ได้เราประจักษ์ใจของเรา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 เพียงไรก็ตามตามการตามสมัยตามสมมตินิยมธรรมชาตินี้ไม่ใช่การไม่ใช่สมัยไม่ใช่สมมุตินิยมแต่แต่เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตต์สุดพ้นเป็นอย่างนี้ก็ทราบภายในใจของตนอย่างชัดเจนนี่แหละคือความแนบสนิทของกิตกับธรรมทำถึงกันที่จิต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 ทำที่บริสุทธิ์เต็มส่วนก็เต็มอยู่ภายในจิตใจของผู้เข้าสัมผัสเต็มที่แล้วนั้นเท่า น, านั้นไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนี่แหละคําว่าทำมีอยู่รู้กันอยู่ที่ใจสัมผัสกันที่ใจใช้เป็นภาชนะสําหรับรับทำทั้งหลายในคำที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงวัผิด จิตใจของเราให้เหมาะสมแะทําขึ้นไปโดยลำดัำบตั้งแต่ขั้นสมาธิทมคือความสงบเย็นใ่ถึงปัญญารมขั้นนั้นๆสมาธิก่อตั้งแต่ขั้นคณิกะรวมชั่วขณะช่วการแล้วถอยตัวออกมาแ ล, รแล้รวมแล้วรวมเล่ารวมหลายครั้งหลายหนก็เป็นสมาธิที่แนบแน่นเข้าไป เมื่อขยายออกทางปัญญาสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีข้อจิตที่มีสมาธิจะพิจารณาทางด้านปัญญาย่อมเป็นความสะดวกสบายเพราะจิตไม่หิวโหวยกับอารมณ์ใดๆเนื่องจากจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบถอยออกจากความสงบแล้วจึงทำหน้าที่ทางด้านปัญญาได้ด้วยความสะดวก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 เพรกิเลสแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกธาตุนี้จะต้องแทรกเข้าไปได้ทุกระยะถ้าสติปัญญาไม่ถันไม่เพียงพอด้วยเหตุ น, นี้ท่านจึงให้อบรมสติปัญญาขึ้นด้วยความภาเพียิในแง่ต่างๆไม่หลดละจนกลายเป็นสติขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนกลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนแล้วฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆที่เหมาะสม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 แล้วฟาดฟันหั่นแหลกกันให้ขาดสะบั้นลงไปได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่จอมกษัตริย์วัตจักรคืออวิชาก็ยังต้องถูกมอบลงไปก็ไม่พ้นสติปัญญาขั้นนี้จะต้องตามทำลายจนได้ไม่มีกิเลสแม้ปรมาณูเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลย นี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วภาษาพวกทั้งหลายทรงก็ดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวมาอันเป็นสาเหตุนี้จึงเป็นธรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอกับผู้ต้องการจะเผากิเลสอย่าให้กิเลสเผาเรา เหมาะสมอยู่ทุกตะยะคำว่าทุกขัสัจสมุทยัยยัสัจนิโรธทัสัจมาร์คัสัจมีอยู่ที่ไหนความจริงของสัจธรรมเหล่านี้สถานที่อยู่ของสัจธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนท่านกลาวไว้ในตำรามีทุกคำผีเต็มอยู่ในคาผีแต่เป็นชื่อของสัจธรรม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 อาจะพูดถึงเรื่องสมูทยัยอันนี้ก็เป็นสมูทัยของส่วนร่างกายแต่ท่านไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะักสําคัญที่ใจจะมาเป็นผู้เสริมด้วยอํานาจของสมูทยัยนั้นแหละมายึดมั่นถือมั่นมาสําคัญผิดต่างๆให้เกิดความดอดร้อนขึ้นมาเป็นทุกข์ขั้นที่สองอันเป็นความทุกข์ใหญ่ยิ่ยงกว่าร่างกายเป็นทุกข์โดยธรรมชาติของตัคําว่าสมูทัยคืออะไรแดนผิดทุกฮะ มุทะยะแระว่าแดงผิดทุกข์ขึ้นมาท่านพูดย่อๆเอาไว้ว่ากามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหากามตัญหาก็คือความรักความใคร่ในวัตถุอารมณ์ต่างๆไม่มีชิ้นสุดยุติรักอยู่เช่นนั้นไม่มีความอิ่มพอใคร่อยู่เช่นนั้นจนกระทั่งวันตายหาวันสงบสยบตัวลงโดยลำพังไม่ได้เลย มีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความกระวนกระวายเพราะความรักความใคร่ความอยากได้ความต้องการเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดธรรมนักการมาตัณหาเพราะว่าตัณหายินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของตนให้มีอะไรก็ยินดีในนั้นติดในนั้นรักในนั้นชอบในนั้น ไม่ว่าเป็นวัตถุไม่ว่าเป็นอารมณ์ไม่ว่าเป็นอะไรไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนละเียดอยู่ในวงแห่งภาวะตัณหายินดีในของมีอยู่ของตนทั้งนั้นวิภาวะตัณหาของไม่มีก็ยินดีก็รักชอบอยากได้นั่นเะสมอวิภาวะตัณหาสรูปแล้วมีตัณหาสามประเทนีเป็นผู้ออกหน้าออกตาแสดงออก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 จะทํานิโรธให้แจ้งขึ้นมาเฉยๆนั้นทําไม่ได้เพราะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคมรรคคืออะไรมรรคะแปลว่าทางหรือแปลว่าเครื่องมือปราบปรามที่เล็กตัวสมูทัยเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งขิ้นซาไปจากจิตใจมรรคะปฏิปทาคืออะไร สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปหมายถึงความฉล า, าดแหลมคมของไหวพริบปัญญาที่จะให้ทันกับกลมายาของกิเลสทุกประเภทที่แสดงขึ้นมาภายในยใจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่ผิดสติปัญญาขึ้นมานสัมมาวาจากล่าวด้วยอำนาจของสติปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุม กล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมกิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมทุกแต่กล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ให้ทุกเกิดขึ้นมาสัมมาทิฏฐิวาจาชอบถ น, นัดสัมมารกรรมันตาการงานชอบของพระเราคืออะไรเราอยากพูดถึงการงานชอบของโลกทั่วไปซึ่งมีหลายแง่หลายแขนงตาม ของเขาเราหมายถึงงานของพระนี่คำอาการงานชอบคืออะไรเจือสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่คืองานที่พระอุปชามอบให้มาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้าสืบมาว่าเจืสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจดันตานาขาลมานาเจือสานี้เป็นต้น นี่คืองานชอบละมีงานท่านมอบงานให้สัมมากัมมันตะแล้วจะทำอย่างไรให้งานนี้เป็นไปได้วยความชอบธรรมดังที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาเอาสติปัญญาเข้ามาจดจ่อต่อเนื่องกันในอาการเหล่านี้ซึ่งจะสามารถซาซึมซาไปทั่วสนุก แล้พางร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่นี้เป็นอย่างไรเกษาโลมาเป็นของสวยของงามหรือเป็นของสกรปรกรกปรุงรังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวหน้าขาเล็บตะโจหนังคนเรามีหนังเท่านั้นหุ้มห่อไว้ตลอดถึงสัตว์จึงเรียกว่าสัตว์่าบุคคลว่าหญิงว่าชานว่าสวยว่างามได้ พอถลกหนังออกหมดแล้วคำว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลก็หมดความหมายไปทันทีนี่ให้เรียนให้ปฏิบตัติถิ่งเหล่านี้เห็นชัดเจนแจ้งแจ้งตั้งหลักความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราตะโจตจะป ร, ะริยันโตร่างกายนี้มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหนังนี่แลเป็นเครื่องพรางตามนุษย์ตาฝั่ง ถูกกิเลสหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรไปเสียหมดตาแจ้งตาสว่างก็กลายเป็นตาเมืดอยไปหมดเพราะกิเลสมันปิดตาไม่มีกระจกคือปัญญาสองให้ถึงตามตกความจริงท่านจริงให้ใช้ปัญญาพี่จะหนานี้เรียกว่าทํางานทํางานชอบเนี่ยมีลชอบที่จะถอดถอนกิเลส ความยึดมั่นสําคัญผิดออกมาจากความรุ่มหลงถอนตัวออกมาด้วยความรู้ชอบเห็นชอบของปัญญาจนกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายจะแยกไปเรื่อยทั้งทางอสุภะมันก็เต็มไปด้วยอสุภะทั้งร่างกายนี้อยู่แล้วสงสัยที่ไหนกันเศษสันต์ย่อว่าเป็นของสวยของงามให้กิเลสได้ใจไปทไําม พอสิ่งเหล่านี้กิเลสมันเป็นของปลอมมันจึงเศษของปลอมมาหลอกพวงพวกเราทั้งๆ ท, ที่ไม่สวยไม่งามมันก็บอกว่าสวยว่างามเราก็เชื่อมันร่ำไปตัวคนทั้งคนเหม็นครุ้งไปหมดถ้าทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ตายหายลมออกมาเท่านั้นมันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลเห็นประจักษ์กับใจแล้วทําไมจึงไปยอมเชื่อกิเลสว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใครชอบใจอยู่ได้หลงขนาดไหนมนุษย์เหรา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 อนณาตาใครจะอาจเอื้อมถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราให้รับความสุขความจเจริญเย็นใจหายจากทุกไปได้เพราะยึดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนเป็นของตนมันจมมาด้วยความยึดความถือนี้มากมายเพียงไรมนุษย์ะและสัดหลเเพราะความเชื่อที่เรตตัวหลอกลวงตัวจอมปลอมแผลแเผาสิ่งเหล่านี้มันแหลกแตกกระจายไปถึงหลักความจริงเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาจะเอาอะไรไปเผามันล่ะ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 สัมมาวายามะว่างก็เข้าในจุดเดียวกันนี้ยังไ ม, ม่อธิบาให้มากไปแล้วก็ไล่กันลงไปถึงส่วนละเอียดสุกทุกเฉยเฉยเป็นเมทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารยินยางอะไรกระดิกขึ้นมากระเพื่อมขึ้นมา ตัวหลอกลวงต้องขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะกิเลสเป็นผู้ผลักดันให้สัญญาสังขารยิงยันเกิดขึ้นมานี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วจึงต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือเพื่อแยกแยะให้เห็นความจริงความปลอมนั้นก็หายไปหายไปเพราะคําว่าอานิจจังทุกขังอต า, าแต่ละขันละขันนั้นเป็นความจริงสามารถที่จะลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านั้นได้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 จนไม่มีที่อยู่มันเมื่อมีที่อยู่ตรงไหนจะพออยู่ได้มันก็หลบกระ่อนเขาไปซ่อนเข้าไ ป, นาไปจนกระทั่งไปถึงจิตฮะไม่มีที่ไปแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเวทนาสัญญาทั้งขามีญาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่หลบซ่อนของกิเลสเป็นมานาน พอได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยอสุภะอสุภังอันเป็นธรรมของจริงสิ่งที่ปลอมมันก็แหลกไปหมดเห็นปรากฏชัดแต่ความจริงเท่านั้นยิเลง ก, ก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะยิเลสไม่ใช่ของจรินเป็นของปลอมเป็นข่าผิดต่อธรรมแต่ ไ, ไหนแต่ไรมาจึงเราทรรเข้าปราบยิ่งถูกทำลายลงไปเป็นนลำหนับนลำหนับ มันก็นยังเหลือแต่จิตตาอวิชชาเท่านั้นไปอยู่ที่ตรงนั้นพระมีที่ไปถูกตีต้อนเข้าไปฟันเข้าไปแหลกเข้าไปเนื่นบริษัท บ, บริวารถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรฟาดฟันหันแหลกแตกก็จะกระจายกันไปหมดหลงแม่หลงลูกหลงปู่ย่าตายหญ่ไปรวมตัวอยู่ในจิตอาชเป็นอะไรฮะคิต มีจิตตาวิชาอยู่นั้นจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรก็ตัวพร้อมทั้งตัวมันเข้าไปอยู่ในนั้นคืออวิชชาปัจยะยานั่นเนี่ยอนิจจังทุกขังนาตาของจิตกับของอวิชชากลมกลืนเป็นอันเดียวกันสติปัญญาฟาดพันลงไปไม่นอกเหนือจากคำ ว, ว่านิจจังทุกขังนาตาเหมือนกันไว้ใจกันได้อย่างไงถือได้ยังไงถือจิตเออาก็เหมือนจริง ข้าวทั้งเปลือกเหมือนจินกลาทั้งก้างาเดี๋ยวมันขวางคอตายว่าไงถึงต้องแยกแยะให้มันชัดเจนตาปะตาปะแปลว่าอะไรแก้ความแผดเผาเผากำไปเผาเข้าไ ป, าาไปอะไรเป็นของปลอมทนอยู่ไม่ได้มันจะกระจายไปอะไรเป็นของจริงทําลายก็ไม่สูญเมื่อเป็นฉชนั้นสติปัญญาทําลายเข้าไปตรงนั้นสิ่งที่เป็นของปลอมคืออวิชชาปัจจยามันก็ ถูกสลายถูกตีแตกกระจายสลายลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ท้องใจนั่นของจริงแท้ไม่ชิบหายนั่นลที่นี้การเปื้องพบเรื่องชาสำเร็จขึ้นมาด้วยการทำลายรวงลังของอวิชชาซึ่งอยู่ภายในวัฏจักรให้การเป็นวัฏจกักรบัดนี้เป็นวิวัฏกิจแล้วอวิวัฏจั ก, กรกลับไม่หมุนอื ขึ้นสุดกันลงในจุดนั้นนีผู้ปฏิบตัติพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้สอนทำไว้อย่างนี้ท้าสาวกทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติแบบนี้ประเกียดการมาด้วยความทุกข์ความลาบากเช่นเดียวกันหมดเราจะไปหาสวรรค์นิพพานในการนอนจนกับจิตเรศได้อย่างไรแล้วเราจะไปหาสวรรค์นิพพานด้วยการต่อสู้กับจิตเรศในขณะที่กําลังเป็นทุกข์ได้อย่างไรต้องยอมรับว่าทุกข์ ทุกไปเคยเป็นมาแล้วด้วยความเพียรประจา่าของพระพุทธเจ้ามาถึงขั้นสลบสลายไม่จะบและเป็นทุกข์ได้ยังไงมีเราองค์ไหนใคยบ้างที่ประกอบความภาคเพียรจนถึงขั้นสลบสลายนอกจากสลบลงหมอนคราบเพราะ ม, มีวันตื่นเท่านั้นอือเพราำนาจของกิเลสมันจับตีลงหมอนเราจะว่ามันถักลงหมอนมันตีลงนั้นอกอบนี่ตั้งแต่กิเลสมันลุมร้อมอยู่ตลอดเวลาเรายัง โออ่าล่าเริงอยู่เหรอว่าเราเป็นนักปฏิบัติฮะแล้วเขาว่านักวัดตาบ้นตาปฏิบัติดีเคร่งครัดตื่นลมเขาเหรือเราปฏิบัติกับกิเลสเคร่งครัดแค่ไหนมีไหมถ้าไม่มีอยาตื่นลมเขาให้เป็นการเสริมกิเลสขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งจะลืมตัวหนักเข้าไปเอาตรงนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักพุทธิเจ้าที่สอน วิเลศไม่เหนืออำนาจของความภาพเทียนที่กล่าวมาเหล่านี้ไปได้เลยตาเวลากิเลศมันผ่าผลต้องใช้อบายวิธีการศาสตร์อาวุธคือสติปัญญาให้ผ่าผลเช่นเดียวกันให้เหนือมันอยู่เสมอมันถึงขั้นจะสลบเ้ายอมสลบมันถึงขั้นจะตายเอาตายไม่ถอยคําว่าถอยไม่มีสุดท้ายวิเลศนั้นแหละจะสลบซึ่งิเลศนั้นแหละจะตายเราไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่พาไม่พาตายเพียงสลบ สาวกทังหลายก็ไม่พาตายทำไมเราจะตายนังปฏิบัติด้วยกันมีแต่ได้ยินแต่ว่าขี้เรศมันตายเท่านั้นเอาให้จินให้จังพยายามสอนหมู่เพื่อนเต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถด้วยความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนยิ่งกว่าความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยใครใครทั้งนั้นเพราะได้ก้าวเข้ามาสู่แนวรบ เข้ากรอบที่ควรจะได้จะถึงสิ่งที่พึงพอใจอย่างนี้แล้วทำไมจะพลาดไปได้ให้กิเลสมันมาแยกมาแบ่งสันปันส่วนเอาไปกินแค่จนไม่มีติดเนื้อติดตัวเป็นไปได้เหรือสมควรแล้วเหรอนัดปฏิบัติเราเอาให้จริงให้จังการแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมได้ทุ่มเทลงเต็มทะศน์กำลังความสามารถของตนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรบ้างทางฝ่ายเหตุ และผลในปรากฏอย่างไรบ้างการแนะนำต่างสอนเหตุกับผลก็กรมกูนเงินไปแล้วไม่มีอะไรพิจนาสงสัยก็มีอยู่ตั้งแต่ประโยคพยายามของเราแต่กินแค่ไหนจะหวงวัตจักรจะหวงความทุกข์ความลำบากในพบน้อยพบใหญ่จะหวงในเรื่องความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับกิเลสทิมแทงหัวใจนั้นหรือจะหวงความภาเพี่ยนหวงสติปัญญาตัาความเลี่ยนที่จะ ฟาดพันพันแหละกักที่เลยห่วงมรรคผลนี้ผ่านมากกว่าห่วงกิเลสหรือจะห่วงอะไรมากกว่ากันต้องช่างน้ําใจเจ้าของให้เต็มที่เอาฟาดลงไปอยากไปเสียนายชีวิตนี้เสียดายเท่าไหร่มันก็มาอยู่ถึงการมันแล้วมันต้องตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนมีกิเลสเต็มหัวใจก็ตายคนจิ้นกิเลสก็ตายเมื่อถึงข่าวมันถึงการของมันแล้วที่บากระฐนนี้ มันเป็นธรรมชาติอันนี้อย่างไรก็ขอให้ที่เรศตายไปก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เถอะเราจะเห็นความอัศจรรย์ที่รพระเจ้าประกาศไว้แต่สองพันห้าร้อยปีมาแล้วนี้มีแต่ชื่อความอัศจรรย์ยังไม่ปรากฏในหัวใจเราเลยฟังเป็นลมๆแล้งๆมันก็เป็นลมๆแลง้ลงๆมันไม่มีความจริงเพราะความจริงยังไม่ขึ้นรับพายในจิตใจของเราเนื่องจากความเพียรยังไม่รับกัน พอที่จะปรากฏผลอันเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นอัตตสมบัติของใจของตนอย่างสมบูรณ์ท น, นขอให้ทุกท่าน น, นำไปพิปจิรณาเรอไปใรมารู้สึกอ่อนลงอ่อนล ง, ลงเหนื่อยแล้วเอาละ่ะหยุด